รู้เวทนารู้สุขทุกข์พุทธพจน์หเสวยสุขอยู่ก็รู้ชัดว่าเราสเสวยสุข 2. เสวยทุกข์ก็รู้ชัดว่าเราสเสวยทุกข์ 3. เสวยความรู้สึกเฉยก็รู้ชัดว่าเราสเสวยความรู้สึกเฉย 4. เสวยสุขมีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขมีเหยื่อล่อห้าเสวยสุขไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยสุขไม่มีเหยื่อล่อหกเสวยทุกมีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกมีเหยื่อล่อเจ็เสวยทุกไม่มีเหยื่อล่อก็รู้ชัดว่าเราเสวยทุกไม่มีเหยื่อล่อ 8.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 จนไม่รู้สึกพิเศษอีกแล้วหรือแม้นั่งนั่งนอนนอนอยู่เฉยในหัวว่างปล่าจากความคิดนึกดีร้ายก็นับว่าใช่เราจะพบว่าเมื่อจิตเสพความรู้สึกประเภทนี้อยู่ย่อมเกิดความเฉยเหนื่อยไร้ความยินดียินร้ายอาจนำไปสู่ความเบื่อและคิดหาสิ่งแปลกใหม่มาแทนที่ส่วนความเฉยเฉยชินชินแบบไม่มีอา m i t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 ที่จะอยู่ติดตัวตลอดไป